เป็นพลังจงทั่วใจบิดตาน่อกายเปิดตาข้างในอาจรู้ความจริงเปิดดูหัวใจเปิดก็ไปข้างในเปิดไปดูความหมเปิดใจรับรู้เรื่องราวเปิดมาตรง มื่อไหร่เรื่องราเปลี่ยใจรอตัวหากเธออยากรู้จักฉัน P a L U N G J I T ยังคงรอเธอตรงนี้หลังจิต .com วันนี้ครบทุกเรื่องราว อยากจะดูอยากรู้อะไรเรื่องราวมากมายเปิดประเด็นสอบถามกันไปได้ในเว็บบอดแต่ละคนอาจมีที่มาแตกต่างกันไปแต่ในใจเราถ้าคล้ายกันมีพลังแห่งฝังเป็นพลังที่ลึกล้น พลังใจหัวใจปิดตานอกกายเปิดใ้ข้างในอาจจะรู้ความจริงเปิดดูหัวใจเปิดเข้าไปข้างในเปิดไปดูความในเปิดใจรับรู้เรื่องราวเปิดมาตรงนี้ไงเรามีคำตอบ ที่ใบขอมูลธรรมะมากมายเรื่องราวแปลกใจรอบตัวเธออยารู้จักฉัน P A L U N G J I ยังคงรอเธอตรงนี้หลังจิตดัดควันนี้ครบทุกรื่องราวยังคงรอเธอตรงนี้ จิตดัตคอมวันนี้เราคือเพื่อนคุณ